เออจะลองอ่านให้ฟังนะข้อความที่ไพโรจจากไตรปิฎกเนี่ยน ะ, ะจากเทรคถานี่นะฮะนี่เป็นอนันทเทระคาานะครับท่านบอกว่าคนที่เป็นชายมีการศึกษาเล่าเรียนมาน้อยย่อมแก่เปล่าเนี่ยท่านผู้หญิงไม่พูดถึงนะคนที่เป็นชายมีการศึกษาเล่าเล่าเรียนมาน้อย ย่อมแก่เปล่าเหมือนกับโคที่มีกําลังแต่เขาไม่ได้ใช้งานเสียมวยเลยใครไม่ศึกษาธรรมะเสียมวยเลยนะแต่น่าจะรวมทั้งผู้หญิงด้วยนะผู้ใดเล่าเรียนมามากแต่ไปดูหมินผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนมาน้อยด้วยการสดับแต่เขาไม่ได้ปฏิบัติตามที่เล่าเรียนมา ย่อมปรากฏแก่เราเหมือนคนตาบอดถือดวงไฟไปฉะนั้นบุคคลควรเข้าไปนั่งใกล้ผู้ที่ศึกษามามากแต่ไม่ควรทำสุตตะที่ตนได้มาให้พินาฏฟังมาแล้วเนี่ยนะไม่ควรทำสุตตะที่ตนได้มาให้พินาฏเพราะสุตตะที่ตนได้มานั้นเป็นเบื้องต้นแห่งธรมจ ร, ร เพราะฉะนั้นจึงควรเป็นผู้ทรงธรรมมีเจอะไปอานุเองเรื่องผ้านนอ์หน้าสามชุดหนึ่งครับพระนันเล่มที่ห้าสิบสามผมสี่สิบสามอนันทเถระคถาพระเถรอนันทเถระคาาคุตกานิการเถระคาถามีอยู่สองเล่มเล่มห้าสิสามเถระคาถามีสี่เล่มห้าสิบห้าสิบอดห้าสิบสองห้าสิบสามมีสี่เล่มอยู่เล่มที่ห้าสิบสาม เชื่อว่าอาน น, นนท์อ่ะนะคาถาของพระอานนท์อ่ะ น, น, น, นะมีภาษาริบุตรมีอะไรก็มีในมีหลายคือกลุ่มพระที่เทศยาวๆทั้งหลายแหละจะอยู่ในตรงนี้คือท่านอุทานทีครึ่งชั่วโมงอ่นนะหรือสองชั่วโมงกันนะกลุ่มนะี้แต่อย่างพระรัฐบาล น, นี่ก็เอาคาถาที่ท่านอุทานต่อหน้าพ่อท่านบ้างต่อหน้าพระเจ้ากรพรรยะบ้างอะไรบ้าง ครับไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วนะผมอยากให้ท่านวิจารณ์ตรงนี้นิดหนึ่งน ะ, ะคือได้กล่าวถึงพระอานนท์เนี่ยนะฮะที่ก่อนจะบรรลุเนี่ยท่านได้เดินจงกรมก่อนพอเดินจงกรมเสร็จแล้วก็คงจะงนานค้าทั้งคืนนะแล้วก็เหน็ดเหนื่อยแล้วก็ขึ้นมาที่จะตั้งใจจะพักผ่อนแล้วพอนั่งกําลังจะเอง ตัวลงนอนเท้าพ้นพื้นก็บรรลุพระขนก็อาสวะสิ้นแล้วนะก็มีปัญหาว่าก็ก็มีปัญหาให้น่าคิดว่าขณะที่ท่านเดินจงกรมนั้นเนี่ยท่านทำอย่างน้อยต้องทำตีระปริญญาละถูกไหมครับเพราะขณะนั้นยังไม่ปะหาหนะปิญญาจึงชวนให้คิดว่าถ้าไม่ตรึกเพราะตีระนาไปว่าตรึก ถูกไหมครับถ้าไม่ตรึกเนี่ยนะฮะก็ไม่ใช่ตรีนปัปปญญาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าอนน์เดินจงกรมเนี่ยถามว่าคิดหรือไม่คิดตรึกหรือไม่ตรึกโยนิโซมา น, นสิการหรือไม่มา น, นสิการหรือไม่แน่นอนที่สุดนะีอันนี้ชัดเจนมากเลยเพราะต้องขั้นตนปัปปญญาเพราะหลังจากนั้นแล้วก็เป็นปะหาณัริญญาแต่คงม่ที่จะไปพิจารณาแข็งที่เท้าหรือว่าอะไรอย่างนั้นนะแข็งแขงอ่อนอ่อนเสียงไนดะ้ยินอะไรอย่างนั้ น, นครับ เพราะเป็นตีนะญญ็นยาเกิดในนั้นบอกลงชัดเจนว่าท่านเจริญกายยคตาสติเป็นส่วนมากครับท่านทักใช้คําว่ากายยัคตาสติเนี่ยนะกายานุปัสนาสิบสี่บพะเท่ากับแสดงแล้วเนี่ยนศัพท์นั้นะคําว่ากายยัคตาสติก็คือกายานุปัสนาทั้งสิบสี่บพะแต่ทีนี้ทําไมท่านเดินมากท่านจึงไม่บรรลุคือตรานตรสรูธรรมเนี่ยนะ อินทรีย์ห้าก็ต้องสม่าเสมอวิริยินทรีย์อย่างเดียวบรรลุไม่ได้วิริยินทรีย์กับปัญญินทรีย์มันเหตุของความฟุง้งซ่านเะนี่ยนะถ้าถ้าปรารพมากเกินไปเนีย่ยนะถ้าปรารบวิริยินทรีย์มากขาดสมาธินทรีย์ถ้าปรารบปัญญินทรีย์มากขาดสัจธินทรีย์เนี่ยนะอินทรีย์ก็ไม่สม่าเสมอเมื่ออินทรีย์ไม่สม่าเสมอไอ้อุเบขาสัมโพชงที่เรียกว่าตัตระมัจจิตามันทํากิจไม่ได้ เมื่อโพชงการตรัสรู้ธรรมเนี่ยหมายถึงโพ ท, ที่ปัจขยธรรมทั้งสามสิบเจ็ดประการประชุมกันแต่ละคนต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้สมดุลกันถ้าอันใดอันหนึ่งลดลงไปหรือเกินไปเนี่ยไม่ได้ละจะเกิดการแทงตลอดอริยสัจไม่ได้ทีนี้ไอความสมดุลของแต่ละคนเนี่ยอิริยาบถจะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยนะเพราะว่าสปายะทั้งหลายก็จะเข้ามาบางท่านนี่ได้อุตสปายะจึง จึงสิ่งเหล่านั้นจิงจะสมดุลเนี่ยนะอาหารเข้าไปช่วยบางท่านนี่ต้องอุณหภูมิที่เหมาะสมเช่นช่วงฝนตกเนี่ยกลังดีนะบางท่านก็บอกว่าฝนตกอยู่ปลายหน้านะไปอาศัยกระท่อมเขานั่งบรรุอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ว่าไอความเข้าใจในคำสอนนี่ต้องชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วคือเพราะว่าเข้าบรรุเนี่ยนะเราก็ต้องเอามาตั้ง ว่าถ้าบรรลุนี่เขาบรรลุอะไรกันเนี่ยนะอันนี้ต้องตั้งไว้ทําถามเป็นอันดับแรกเลยนะซึ่งจะเข้าใจพระพุทธศาสนาก็จะอยู่ตรงนี้แหละอันนี้กล่าวไว้กายคตาสติชัดเจนมากเลยปรากฏเป็นตั ว, ตวอักษรเลยมีมีหลายแห่งด้วยบอกเลยคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐา น, นกายกายคตาสติก็คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ถ้าพูดตามลักษณะเนติปรกรณ์ที่เรียกว่าลักษณะหาระเนี่ยท่านเชื่อมไปเลยว่าถ้าพูดกายคตาสติเวทนาสติก็เท่ากับพูดแล้วนะจิตตะจิตตาหรือจิตตสติก็พูดแล้วอ่มมานะธรรมะธรรมะคตาสติก็พูดแล้วอ่านะเวทนาคตาสติเนี่ยนะจิตตะคตาสติธรรมะคตาสตินี่เท่ากับพูดแล้ว สติประธานสีเท่ากับพูดแล้วเมื่อพูดสติประธานสีสัมมประธานสีเท่ากับพูดถ้าสัมมาประธาน4ี่แสดงแล้วอิทิบาทอินทรีพระโพชฌงอริยมรักอันประกอบไปด้วยองค์8พูดหมดแล้วแต่ใช้ศัพท์เดียวขึ้นมาว่ากายคตาสติน น, นก็เขามองออกทั้งหมดทีนี้ผลที่เกิดขึ้นเราต้องเข้าใจายอย่างว่าท่านบรรลุท่านแทงตลอดอริยสัจเมื่อท่านบรรลุแล้วท่านไม่ขัดกับหลักคําสอนอื่นๆทั้งหมดเลย อันนั้นอันนั้นเป็นตัวอย่างหนึ่งว่าที่ท่านตรัสรู้นั้นไม่ใช่ว่าท่านไม่รู้อะไรเลยท่านไม่เข้าใจอะไรเลยเนี่ยนะแล้วก็พักขึ้นมาเฉยๆแบบถูกต่อยมาแบบชนเมื่อคืนนี่ไม่ใช่เนี่ยนะเดี๋ยวเล่าเรื่องเมื่อคืนให้ฟังนิดหนึ่งไปถึงแยกสมเสมิงเห็นะกระวังรอไฟเขียวอยู่มันไฟแดงใช่ไหมขาไปสมเสมิงมันช่วงของจะมาไปถึงเนี่ยไปถึงช่วงไฟแดงสักสักหนึ่งนาทีนี่แหละ ไอ้เส้นหางดงเชียงใหม่มันก็ไฟเขียวอยู่รถมาจากหางดงก็ามาเยอะนะข้างข้างขวานะทีนี้ไอ้รถมาจากสเสมิงมันจะไปหางดงรถเครื่องนะใส่เสื้อสีดำด้วยประโยค่าวิบัติตั้งแรกแล้วแล้วก็ไม่ดูตามมาตาเรือว่าเขาไฟเขียวไฟแดงอะไรเลยนะเสร็จแล้วรถเครื่องนี้เขาเห็นไอ้ช่วงนั้นมันรถว่างๆใช่ไหมเลี้ยวดูเลี้ยวเลี้ยวไปทางขวาไม่ถนัดอ น, นะ มัวแต่หันซ้ายกลัวจะมีตำรวจอยู่แถวนั้นมั้งกลัวจะมีตำรวจก็เลยเรีบจะเรียบผ่าไฟแดงอ่ะรถติ๊กอัพก็มาจากหางดงเข้าเชียงใหม่เนี่ยสองคันมาคู่กันเลยอ่า น, นะคันที่หนึ่งรถเครื่องผานไปคันที่สองโครมเลยนะก็เลือดมากระเด็นติดรบที่นั่งกลับไปอยู่เหมือนกันอ่านะคาร์ที่เลยไหมยมโชคดีอ่านะขาที่เลยนะยมโชคดีเขา ขอมาเห็นตอนชนของโชคดีเห็นตอนตายนะใกล้ๆกันอะไรอันไหนก็ยังมีเศษเลือดเศษอะไรเปื่อนๆอยู่มั้งอันนั้นก็คือว่ามันโครมเลยนะถ้าอย่างนั้นนี่ก็เกิดใหม่ทันทีเลยนะดงั้นการตรัสรู้ทำไม่ใช่พ่ดพระอะไรแบบนั้นหรอกนะพรานมันก็ต้องมีเหตุมีผลเกิดความรู้ความเข้าใจเกิดความสมดุลเนี่ยนะเพราะว่า ปฏิสัมพิธามักบอกเลยว่าอินทรีย์ต้องประชุมกันพระต้องประชุมกันพ่อชงต้องประชุมกันมักต้องประชุมกันแปลว่าโพธิปัติยธรรมต้องประชุมกันจึงจะเกิดการตรัสรู้ธรรมไม่ใช่ของเราอยากไปจอ่อเช่นเอาแต่สติมาอันเดียวแล้วมาจอ่อจ่อจ อ, จอแล้วพุ่งขึ้นมาอย่างนี้ไม่มี อันนี้คิดเดาเอาเองว่าการบรรลุคงเป็นอย่างนั้นมั้งบรรลุคงเป็นอย่างนี้เดาเอาเองทั้งนั่นแหละทีนี้ก็จ่อเมื่อไหร่มันจะบรรลุสักทีพอไปผังสักอย่างหนึ่งขึ้นมามันก็ไม่ใช่อีก <c oughs> เขามีพระรูปหนึ่งไปผังอยู่เหมือนกันอนนั้าไอ้จ่อมากๆแล้วมันผังขึ้นมาไม่หายสงสัยมันโล่งไปหมดเลยแต่ว่ากิเลสไม่ได้ลดลงอะไรเลยโทสะมากกว่าเดิมเยอะนี่นะ อกุศลมากกว่าเดิมมากไอ้ พ, อพ่อไอ้พางเนี่แหละมานะก็มีกําลังมากดูหมิ่นคนอื่นเนี่ยเต็มที่หมดเลยนั้นให้เห็นว่าไอาพ้พางบางอย่างมันไม่ใช่คําสอนอะไรหรอกนั้นก็พระไตรปิฎกก็ใช้คําเสมอไว้ตลอดเลยคำหนึ่งว่าธรรมานุธรรมปฏิปติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยนะหมายถึงอนุธรรมที่สมควรแก่โลกุตระธรรมมีการรักษากุศลศีลเป็นต้น ถ้าไม่สมควรแก่ทําไม่ได้อยู่แล้วบางท่านก็ไปดูหมิ่นผ้าโนนว้อีกเนี่ยเห็นไหยเรียนมากก็เลยบรรลุช้าว่างั้นเนี่ยนะแต่โทษใส่ตัวเองอ่ะนะเห็นดูหมิ่นผ้าอริยะเนี่ยเสียหายมากมีแมช่ชีอยู่คนหนึ่งก็บอกว่าเขาไม่ค่อยขัดเข้าเรียนหรอกเขาเรียนทําไมอ่ะบอกบรรลุช้าว่างั้นพวกนี้เรียนมากว่างั้นบรรลุช้าว่างั้นว่าไปนั่นซะอีกเนี่ยนะ มันเงียบเลยนะเห็นแต่ละคนพูดแล้วทําไมมันแหมแต่ละคําเนี่ยมันเสียงเหลือเกินนะสำนวนนะพูดเหมือนกับอยู่ๆแล้วก็พูดไม่หมิ่นในหลวงเลยอะอย่างเงี้ยถ้าถ้าหมิ่นในหลวงนะกับหมิ่นพระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยโอ้ห่างกันมากหมิ่นในหลวงอย่างมากก็คดีชาตินี้แต่ถ้าในหลวงมีศีลมีธรรมหน่อยก็หลายชาติแต่ถ้าหมิ่นพระอริยะแท้ๆเลยเนี่ยนะโอ้ขาดทุนชีวิตยับเยินหมดเลยพราะใน จูตัวปปาร์ตยานเนี่ยนะมีมีเหตุที่ทําให้ไปสู่อาบายทุคติวินิบาตนรกคื อ, อประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาทางใจเป็นมิจฉาทิฏฐิติเตียนพระอริยเจ้าท่านเน้นขึ้นมาเลยปกตินี้คําว่าทุจริตด้วยกายวาจาจใจเนี่ยนะ <Your S 1> ก็<ๆ>ก็ถือว่าอกุศลกรรมบทเต็มแล้วใช่ไหมทุจริตด้วยกาย มีสามวจีมีสี่แล้วก็มโนโมีอีกสมนะก็เป็นอากุศลกรรมบทส0บแล้วเพิ่มอีกสองคำคือมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะกับติเตียนพระอริยเจ้าเนีย่ยนะอริย ป, ประวัติก็คือ เข้าไปว่าพระอรยะเนี่ยนะเข้าไปมิ่นไปตาหนิพระอรยะนั่นเองทีนี้คำว่ามิจฉาทิฐินี่ก็อยู่ในคำว่าในข้อที่สิบใช่ัหมก็อยู่ในข้อที่สิบทำไมจึงมาขยายเพิ่มเติมเน้นขึ้นมาอีกก็บอกว่าอันนี้มันแรงมากต้องเอามาเน้นเป็นพิเศษเหมนกัลับข้อข้ออีกข้อหนึ่งก็คืออนไนระอยู่ในกลุ่มมุสาวาปเป็นต้นเนี่ยนะ กลุ่มมูสากล่มพุทสวาจานะโดยเฉพาะวาจาเนี่ยมาเน้นพิเศษว่าการว่ารา้ายพราอริยะก็ให้นึกถึงว่าคําว่าว่าร้ายเนี่ยโดยเฉพาะเช่นหมิ่นยกตัวอย่างว่าพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยไปหมิ่นพระพุทธเจ้าองค์องค์ก่อนว่าไปหาทหําไมสมณะโล้นโพธิยานท่านได้โดยยากอันนั้นทําให้ท่านปฏิบัติผิดอยู่หกปี ไอ้หปีเนี่ยนะก็ด้วยที่จริงอะ่ะที่ท่านปฏิบัติอยู่ะนะเว้นกิริยาทางกายเสียทางใจไม่ผิดอะไรแล้วท่านก็รู้ด้วยว่าอินทรีย์ของท่านยังไม่แก่กล้าแต่ท่านก็ต้องทําไปด้วยกรรมที่ที่ไปหมิน่นพระพระพุทธเจ้าองค์ก่อนอยังไงกลับอีกพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยจะถูกเขากล่าวตูเรื่องผู้หญิงเนี่ยบ่อยปองก็บอกเลยว่ามียุทธาตินึงอะ่ะท่านไปหมิน่นพระอริยะเอาไว้เหมือนกัน กบอกส ม, มณะนั้นน่ะบริโภคกามนะบอกลูกศิษย์ด้วยลูกศิษย์ก็พากันยกใหญ่เลยพระพุทธเจ้าตอนนางสุนทรีตายเนี่ยนะถูกเขาหาเรื่องใหญ่โตเนี่ยก็กรรมม น, นั้นแหละพระองค์ก็รู้ว่ากรรม น, นั้นมาให้ผลนะเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับพระอริยะทั้งหลายก็ให้ระวังให้มากๆในอย่างยุคนี้เขาดูหมิ่นพระพุทธโคสาจารย์อย่างนี้เลยก็น่ากลัวมากถึงถึงท่านเป็นหรือท่านไม่เป็นเนี่ยนะมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราหรอก แต่ทีนี้ว่าเราทำไมต้องไปขอแบ่งท่านมาด้วยคล้ายๆกับว่าถ้าท่านเป็นจริงอ่ะนะเราว่าไม่เป็นอันนี้เราก็ขาดทุนเนี่ยนะถ้าท่านไม่เป็นเอากปเรื่องของท่านอ่ะก็ะไม่ใช่เราไงแต่ว่าทุกวันนี้พยายามจะไปดูหมินท่านเหล่านั้นเ<ๆ>ช่นอ่านพุทธประวัติศึกษาไม่ดีก็หมินคนโน้นทีหมินคนนี้ทีเนี่ยนะอย่างคุณบุญชูว่าเมื่อคืนเนี่ยนะว่าทไมพระอ น, น์จึงก็ไม่พูดตามะนะ มันเป็นมิจฉาวาจาเป็นอย่างยิ่งนะแล้วคุณมุญชูก็เล่าต่อไปว่าคนว่านี่ปากเบี้ยวไปแล้วขออนุญาตในเรื่องการบรรลุที่บอกว่าอะไร อ, อว่างเงี้ผมสงสัยว่าการประชุมของรัมนตรีเนี่ยมันเป็นการที่ทำให้หมดกิเลสตรงนั้นน่ะ ตรง BigQuery, ที่เป็นพระโสดาบันระกาศทางกรมีพัะนางการะงทีนี้ตรงตรงที่การประชุมขอเริยมบักเนี่ยทำให้เกิดวารสงสัยว่าพอถึงตรงตที่ไอเดียบัประชุมกันเลยเข้าใจว่าถ้ามนุษย์ตรงนั้นอนี้การการเาเรียกว่าการบำเพ็ญบำเพ็ญบเพ็ญริญาเนี่ยการให้พริญาเนี่ยทำให้สงสัยว่าต้องรอให้เป็นอเดียบักประชุมกันก็คอยจ้องว่าอเียบักมันจะประชุมกันตรงไหน ก็คิดว่าตรงนั้นหรือเป่าที่เข้าใจว่าสว่างคงไม่รู้ก็ถ้าอย่างนี้ก็อย่าเพิ่งบรรลุเลย่ไปทําความเข้าใจให้พอก่อนพอทารีบบรรลุแล้วมันจะเสียสถาบันก็หมดเนี <c oughs> ่ยนะคล้ายๆกับ อ, อาจารย์ขวดวิชาหรือให้คะแนนเนี่ยนะแม่ถ้าดูอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าอย่างงี้ผมจะจบได้ไหมบอกวก็ไปทําทมาใหม่ <c oughs> อะนนี้เ ร, นเรื่องอาจารย์ทิยาไลเขาตรวจ ที่นักศึกษาเขาทำรายงานส่งมาก็บอกโอผมอ่านทั้งสามรอบแล้วนะก็บอกแมขอบคุณครับอาจารย์บอกผมไม่รู้เลยว่าคุณเขียนว่าอะไรมัน <laughs> <laughs> ลักษณะนั้นอ่ะนะมันมัน ม, มันไม่คู่ควรต่อการตรัสรู้เลยก็ยังไม่ทันรู้เลยว่าเข้าบรรลุอะไรถ้าสัมมาทิฏฐิเกิดรู้อะไรสัมมาสังกปะเกิดเนี่ยนะถ้าประชมเนี่ยสัมมาสังกปะรู้อะไรสัมมาวาจาสัมมากรมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะ สัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยมีการอบรมมายัางไงแล้วแทงตลอดอะไรเมื่อแทงตลอดอะไรแล้วมีคุณธรรมอะไรบ้างหลังจากที่ที่บรรลุมาแล้วเนี่ยนะแต่ทีนี่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยมันก็ไม่ค่อยคลอกคล้องกับคำสอนเพราะฉะนั้นก็มีอารยเกิดขึ้นมาเพื่อปฏิเสธคำสอนเนี่ยมากมายในยุคนี้นะเอ่อเท่าที่ผมเอ่อเท่าที่คิดคิดนะคือ ก่อนบรรลุเนี่ยนะก็หมายความว่าในในขั้นยาตะไม่ต้องพูดถึงละยาตะปริญญาไม่ต้องพูดถึงละแต่พอขั้นตรีนะนะปัญญาเนี่ยต้องเข้มข้นมากเลยถามว่าในขั้นตรีนะปัญญาเนี่ยนะครับท่านพิจารณาอะไรถ้าพิจารณาใจรักสแสดงว่าอา น, นิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยท่านเห็นอา น, นิจจังจริงๆเห็นทุกขังจริงๆเห็นความเป็นอนัตตาจริงๆถามว่าเมื่อเห็นแล้วต่อไปจะเป็นขั้นไหน ก็ต้องขั้นที่เห็นโทษพอเห็นโทษแล้ว<ม>เบื่อนายพระเบื่อนายถึงที่สุดนั่นแหะ ก, ก็คือคือการบรรลุแต่การที่จะเบื่อนายได้ถึงที่สุดแสดงว่าต้องมีการประชุมกันอย่างแรงมิฉะั้นมันไม่เบื่อไม่งั้นไม่เห็นโทษผมไม่ยินเสียอถ้าปัญญาไม่ถึงก็ยังไม่เห็นไม่เห็นโทษวิริยะก็ยังไม่มีความเพียรพอสติ ปัญญาต่ตางๆเหล่านี้คือครบห้านะครับอินทรีย์ห้าเนี่ยถ้าพร้อมกันเมื่อไหร่ก็มาก็วว่าโอ้โหเห็นเห็นโทษชัดเจ น, น้วก็เมื่อเห็นโทษแล้วเบื่อเองครับเบื่อเองไม่ต้องไปทำให้เบื่อด้วยคลายเองปล่อยเอง น, นี่ถ้าถ้าเรากล่าวโดยองค์ธรรมะนะ มักทั้งหมดเนี่ยก็คือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเรียกย่อๆว่าปัญญาปัญญาขันสัมมาสติสัมมาสมาธิและก็สัมมาวายมะคือโดยขันเรียกว่ากองแห่งสมาธิส่วนสัมมาวจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะเนี่ยนะเป็นศีลขันแต่ทั้งศีลทั้งสมาธิเนี่ยเรียกชื่อว่าย่อๆว่าสมถะส่วนปัญญาขันเรียกชื่อว่า วิปัสสนาเนี่ยนะพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นของคู่กันยุคคณธรรมเนี่ยนะนะธรรมะคู่กันธรรมะที่เป็นเหมือนกับเหมือนกับแอกจริงๆถ้าถ้ามองแบบใครที่เคยขับเกวียนเนี่ยนะจะรู้วัวเขาเียนไงเขียนไม่ถูกไคือสมมุติว่านี่มันเกวียนอ่ะนะนี่มันเกวียนอนะ่ะอันนี้วัวสองตัวเนี่ยเป็นตัวลากเนี่ยนะนะ ธรรมะอันนี้เหมือนกับแอกเลยสมถาวิปัสนาเนี่ยต้องลากให้มันสม่ำเสม อ, อ น, นะนะ เ, เลยเรียกว่าธรรมะคู่กันสมถาวิปัสนาต้องคู่กันอันนี้พูดถึงในขณะอริยมรรต์ต้องต้องลากกลุ่มนี้ทั้งหมดมาให้คู่กันพอดีเนี่ยนะจะต้องอย่างใดอย่างหนึ่งต้องไม่ล้ากันเนี่ยนะสมถาวิปัสนาทีนี้ตัวสมาธิตัวนี้เนี่ยถามว่าอย่างน้อยต้องระดับไหน เทียบไว้เลยว่าเกณฑ์ทั่วๆไปอย่างน้อยที่สุดต้องระดับปฐมฌานพูดอีกในหนึ่งว่าเราคิดอะไรให้มันคู่ควรกับการได้ฌานนะนะเจริญวิปัสสนาเนี่ยมันจะได้ฌานที่หนึ่งได้ยังไงอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ที่ควรเอาไว้คิดเนี่ยนะนนคือคือในขณะอริยมรรคนะสมมติว่าถ้าพวกนี้คู่กันเมื่อไหร่เรียกว่าอริยมรรค ตัวสัมมาสมาธิอย่างน้อยที่สุดต้องระดับปฐมฌานที่เรียกว่าอัปปนาเนี่ยนะอัปปนาต้องมั่นคงเป็นอย่างมากนะตัวอัปปนาแล้วตัวปัญญาเนี่ยแบ่งออกเป็น2คือโดยกิจกับโดยอารมณ์โดยกิจเนี่ยก็คือกิจในการกำหนดรู้ทุกเนี่ยนะ ละสมุไทยแล้วก็เจริญมักอันนี้โดยกิตถ้าโดยอารมณ์มีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วเจตสิกทั้งหมดเนี่ยนะทั้งจิตทั้งเจตสิกอันนี้ต้องมีนิพพานทั้งหมดเนี่ยเป็นอารมณ์ที่เรียกว่าเป็นนิโรธสัตว์ทั้งหมดเลยเนี่ยนะการแทงตลอดอริยสัจจะเกิดขึ้นทีนี้เมื่อแทงตลอดอริยสัจแล้วเนี่ยนะสมมติว่าถ้าเป็นพระโสดาบัน จะมีคุณธรรมรองรับอีกเรียกว่าโสตาปฏิยังค่าธรรมอนนะถ้าถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วนะหนึ่งมีศรธรรมไม่หวั่นไหวในพระพุทธเหนหมมีศรธรรมมั่นคงในพระพุทธเจ้าสองมั่นคงในพระธรรมส ม, มั่นคงในพระสงฆ์สีอริยกันตสิน เนี่ยนะต้องมีอริยกันตศีลเป็นอย่างดีเนี่ยนะอันนี้คือคุณธรรมที่วัดทีนี้บางแห่งก็บอกเพิ่มว่ารู้อริยญายธรรมด้วยเนี่ยนะอริยญาญธรรมคือแทงตลอดปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมเนี่ยนะเมื่อได้คุณธรรมอันนี้คือเรียกว่าหลังจากตรัสรู้แล้วทีนี้ก่อนจะมาตรัสรู้เนี่ยนะก็ว่าไปสัมมาทิฏฐิต้องอะไรบ้างกรรมสกตาต้องดี นะการมสกตาต้องดอีวิปัสนาปัญญาเป็นต้นก็ต้องดีวิปัสนาปัญญาก็แบ่งเรียกว่าโดยแต่ทางคะปะหานะเนี่ยนะปะหานะแปลว่าการละก็คือการละกิเลสด้วยอนุภาพของปัญญานั้นๆก็ต้องมาเป็นอย่างดีแล้วก็กุศลวิตกต้องบริบูรณ์เห็นไหมกุศลวิตกต้องบริบูรณ์ก็ก็จะคู่ควรกัน แต่ถ้าถ้าพูดถึงขณะบรรลุเนี่ยนะก็าอารมเป น, นิพานนะครับก็ขณะนั้นก็มีอารมณ์มีพระ น, น, นิพานเป็นอารมณ์เ น, นี่ยขณะเนี้ยมีนิพานเป็นอารมณ์แต่ถ้าก่อนหน้านี้ทั้งหมดมาเนี่ยเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เบื้องต้นนะนะเรียกว่าอนุธรมมธธธรมะธรรมะฝั่งนี้เรียกอนุธรร ม, มะอนุธรร ม, มะนี่แปลว่า ธรรมะที่ตามอ่ะนะแต่ถ้าตัวโลกุตระธรรมอย่างนี้เรียกว่าเป็นธรรมะเลยที่ทรงไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติตามไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วคือหมายถึงต้องระดับโลกุตระธรรมเหล่านี้หมายถึงอริยมรรคที่มีนิพพานเป็นอารมณ์เไหม คือวิปัสสนากับสมถานเนี่ยหมายความว่าเป็นเป็นพุทธธรรมนี่นะฮะหมายความว่ า, วานั่นก็คือจะการเจริญอริยมรรคมาเลยก็ในขณะนี้เรียกว่าจเจริญอริยมรรคกันนะในขณะนี้นะีแต่ถ้าก่อนหน้านี้ก็ยังไม่เรียกอริยมรรคแต่ก็เรียกว่าบาําเพ็ญไตรสิกขาก่อนหน้านี้เนะีเรียกว่าการจเจริญไตรสิกขาในาศาสนานี้เพราะไตรสิกขาเหล่านี้ต้องเป็นไปตามคำสอนทั้งหมด ไม่ไม่ใช่เป็นของที่คิดขึ้นเอาผู้ที่คิดไตรสิกขาได้เองคือพระปจเจ ก, กับผู้เธเจ้าส่วนบุคคลที่เหลือนะไตรสิกขาเหล่านี้ต้องต้อ ง, ต, องต้องอาศัยคำสอนอย่างเดียวทีนี้ในการบำเพ็ญไตรสิกขาถ้าจะเรียกย่อๆเรียกว่าการเจริญกายสุจริตวจีสุจริตหรื อ, อและมโนสุจริตก็ได้ก็คือเจริญสุจริตสามนั่นแหละ นะก็ต้องให้เป็นสุดจริตให้ทุกอารมณ์เลยนะก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะผู้ที่เจริญสมถะดีๆนี่ก็ไม่มีทุกจริตในเกือบทุกอารมณ์แล้วกนะุศลจิตเกิดมากนะมันคู่ที่เจริญธรรมะเหล่านี้ที่จะแทงตลอดมรรคผลได้กุศลจิตต้องเกิดมากจริงๆเว้นกลุ่มที่สะสมบา ร, รมีมาจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนะเวนเช่นในพระไตรปิฎกพระที่เราอ่านๆเจอแล้วบรรลุง่ายๆอ่ะ ให้รู้เธอว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยบวชหรือบำเพ็ญส ม, มณะธรรมมาสอง0 0ื่นปีอย่างนางวิสาขาอายุตอนเจ็ดครัวปู่ถ้าอ่านประวัตินางวิสาขาดีๆนางวิสาขาเนี่ยชาติในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเนี่ยนางไม่ได้แต่งงานประพฤติโกมารีพรหมจรรย์เนี่ยนะอยู่สองหมื่นปีเนี่ยนะแล้วก็เป็นเจ้าเจ้าภาพสร้างวัดเข้าวัดฟังธรรมอย่างเดียวขอบวชพ่อก็อมาให้บวชาเป็นลูกพระราชา ศึกษาธรรมะอยู่ในวังสอง0มื่นปีนะก็เลยไม่แปลกใจอะไร ท, ที่ที่ท่นานบรรลุแต่ก็ที่พูดนี้ไม่ได้พูดเพื่อจะลักษณะให้ริศยาวโอ้โหคนน้นบรรลุถ้าบรรลุจริงๆนะจะจะอนุมโมทนาจะขอกราบไหว้ด้วยเพราะท่านนี้เป็นนาบุญของโลกแล้วควรเป็นอย่างยิ่งที่ข้าพเจ้าเนี่ยจะเคารพกราบไหว้นับถือเอาเป็นสารณะเลย ว่าท่านเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีจริงๆแทงตลอดอธรรมะคือคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ที่เอามาประลบนี้ก็คือมีคนที่ไม่ได้บรรลุจริงเสร็จแล้วคิดว่าบรรลุพอคิดว่าบรรลุเสร็จมาทําลายคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ติงนี่ติงคนลักษณะนั้นและก็มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีคิดว่าตัวเองบรรลุจริงๆแล้วไม่ได้บรรลุพอคิดว่าบรรลุไม่ได้บรรลุก็เริ่มขัดแย้งกับคําสอน ปฏิเสธคำพีทั้งหลายแหละปฏิเสธพระไตรปิฎกดีไม่ดีก็แหมจะเรียบเรียงพระไตรปิฎกขึ้นใหม่ตามที่อาจารย์ตัวเองบรรลุ้วยซ้าไปก็มีไม่น้อยแต่ก็อย่าไปคิดอะไรมากเพราะตอนนี้ก็ถือว่าปลายาศาสนาแล้วว่าเป็นอย่างนี้แน่นอนเพราะพระองค์ตรัสไว้ในพระสูตรไม่น้อย ว่าต่อไปเนี่ยธรรมะจะเลื่อนนะในสัทธธรรมสัทธรรมูมสสูตรแปล ว, ว่าต่อไปข้างหน้าธรรมะจะ เ, ะเลือนด้วยเหตุผลใดบ้างพระองค์ก็บอกไว้ชัดเจนเสร็จ แ, แล้วก็ทุกวันนี้ให้เห็นแล้วก็เห็นเป็นจริงอย่างที่คําสอนว่าไว้ทุกอย่างเลยนะตอนนี้ถ้าเราจะศึกษาทั้งหลายก็คือหันกลับมาหาคําสอนว่าพระพุทธเจ้าสอนว่ายังไงไปคิดตามไปปฏิบัติตามก็ทําได้เท่านั้นน่ะ ส่วนที่เหลือใครวินิจฉัยได้ถูกผิดก็ต้องอาศัยคำสอนที่แสดงไว้เท่านั้นเห็นทีนี้พ อ, เ, อ, เ, อเสนอแนวทางการปฏิบัติขึ้นมาใหม่ๆและ ท, ที่สร้างปัญหามากเยนะไปเบียดเบียนคำสอนมากเลยไอ้ทางเลือกใหม่นี่แหละ